ดายาพี่น้องที่ท่านวันนี้เป็นวันธรรมสุนนะแดนแต่ข้างเดือนสิบสองวาระเวลาที่ผ่านมาแล้วเวลาก็เร็วมากเป็นวันที่เรามาฟังธรรมวันที่เราได้มีโอกาสมาบอมเป็นกุศลหาโอกาสอย่างนี้ยากมาก สน ม, มากเราไม่มก็อเดินสงใจมาฟังธรรมะสงใจมาหาพระช่วยเป่าหัวมังกรมนบั้งวันนี้ให้เป่าไปหลายลายมันจะเป่าให้เป็นไงบางทีก็เอาลูกให้เป่าหัวให้กริเรียงเรียงให้เย็นซื่อเต็มก็ดีเหมือนกันเคกเป่า แต่จุดมุ่งหมายที่เราได้โอกาสมาสร้างบนร้างกุศลดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วถึงวันพระธรรมสชนะ ก, ก็ควรจะมาบำเพ็ญกุศลรักษาโบสถบำเพ็ญศีลเจริญสิกภาวนารามสมาธิให้ดีที่สุด <c oughs> แล้วก็มายามาช่วยตัวเองให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะช่วยได้ ขอฝากญาติพี่น้องไว้ในที่นี้ถ้าเราช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็ไปช่วยใครก็หละเรในฐานะเป็นยิดาธรรด า, ดาสุยญาตายายพาลูกเข้าวัดสดับพระธรรมเทศนาเป็นต้นเราก็ยังไม่มีโอกาสจะมาเช่นในวันนี้วันพระเราควรจะลดละอบอายยุกเข้ามาสู่วัดหาความสงบ จเจริญธรม า, ราธิบเพ็ญจิตภาวนาให้ลูกหลานได้ดีมีปรรัญญาจะมีประโยชน์มากแต่บางท่านก็สงสัยไปรเรื่อยวันนี้บริษัทพีซีีีอามาฟังเรื่องกฎแห่งกรรมวยบรรยายไปแล้วนั้นจะมีประโยชน์สาหรับเขาที่สนใจมาเท่านั้น อย่าลืมอย่ารวมทั้งหลายเอ้ยจะพูดให้ท่านฟั ง, ฟงต่อภาคหลังเราใจใส่ลูกดีที่กดแล้วดูแลลูกตามที่กล่าวของพระบุตรเจ้าแล้วกปดตามแต่ลูกก็ยังเอาดีไม่ได้มันเป็นกฎแห่งกรรมชัดเจนมากเราอุาเอาใจใส่ดูแลพระสงองค์เจ้าให้ปฏิบัติธรรมไปนั่งเป้ากัน ถึงจะเฝ้าสี่ร้อยองก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผ ล, ลก็ปวดแห่งกรรมลูกที่ดีมีปัญญานะไม่ต้องไปเฝ้าเลยหนามแหลมใครเชี่ยมมานาวกลมเปรี้ยงขครเตะกลิงไม่ต้องไปนั่งเฝ้าไม่ต้องไปนั่งเฝ้าลูกแต่ลูกมันจะเลว มันจะเป็นปวดแห่งกรรมที่ต้องมาทำให้พ่อแม่เดือดร้อนมาผลานทรัพย์บุมบัตรจะที่เสียงไปเฝ้าอย่างไงมันก็ออกไปจนได้คนที่ดีมีปัญญาสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างทรัพย์สินเงินทองสร้างวิชาให้พ่อแม่ไม่ต้องไปเฝ้าเลยที่มาบวชกันที่วัดนี้จะเป็นแม่คัมมะที่จะบวชนุ่งเหลือยประตามถ้าจะดีทาสีก็แดง ถ้าไม่ดีไม่ต้องทาสีทายังไงมันก็แดงไม่ได้มันก็หลอกหมดเพราะเนื้อมันไม่ดีพระ้าหนังมันสกกปลกทาสีมันไม่ติดจิตใจมันลามกสกกปลกความดีมันไม่ติดชีวิตจะแรงแทงชีวิตจะไม่มีแปลนชีวิตจะไม่มีแผมถังแต่ที่นาถือได้เวลาของท่านมา นี่แหละท่านอุบาสกบริการทั้งหลายเอ๋ยท่านมาสร้างความดีเนี่ยไม่ต่อไปนั่งคุมท่านบอกให้กำหนดจิตคนที่ดีก็จะตั้งสติตลอดรายการถึงหากว่าท่านผู้ปฏิบัติธรรมเอาคุูบาจาไปนั่งคุมนั่งล้อมวงก็ยังดีไม่ได้เพราะท่านไม่สนใจตัวเอง ไม่เข้าใจตัวเองไม่ตร้งสตีให้ส้างความดีตัวเองเนี่ยเฝ้ายังไงก็ไม่ได้พ้นผูกต้องแล้วเป็นกฎแห่งกรรมชัดเจนมากไม่ใช่ว่าลูกมาบวช ด, ดีทุกองคในวัดนี้ดีทุกองค์ไม่ได้ไม่ใช่หมายความว่าจะมาดูไม่ทั่วถึงดูทั่วถึงแล้วเขาดีไม่ได้เขาดีแค่นี้เอง ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วเสียใจเรื่คนที่ดีมีปัญญาใป่หาแต่เรื่องดีสนใจแตความสุขกัจจักจากรทุกข์จริงคนที่ร้ายเหตุผลเอาดีไม่ได้นั้นท่านไม่ต้องไปคุมลูกหรอกลูกท่านเอาไหนเอาดีไม่ได้ลูกพวงลูกพุ่น ลูกกลุ่มลูกลูกแรงไม่ใช่ลูกละแต่มาลูกหนักหนืวงในหุกใจเราจะดูแลยังไงลูกท่านก็เอาดีไม่ได้มาเป็นตะกูวเราจะเศษให้เป็นทองคำเป็นได้ยากมากแต่ชาทองคำเนี้ยท่านมาต้องไปคุนมันใส่ตต้อุดหรือจะขุดหลุมฝังมันก็ลังอาจะลังค่างไป ท, ทองคำเนื้อแท้ เก้าศูนเก้าร้อยสูกร้อยมันก็ดีได้ทุกประการแต่ทั้งหลายที่มาเนตธรรมะปฏิบัตินี้ก็ไม่ต้องไปคุ้มท่านหรอกขนาดบอกว่าสิน้อยนองน้อ ย, อยพูดน้อยนะโยมนะอย่าคุยกันเสียให้ขลมหมดไม่จะไปคุ้มได้อย่างไรล่าก็โต้ตด้วยกันแล้วดีด้วยกันทุกคนไม่มีคนทั่วเลย คนดีเหมือนกันหมดไม่มีคนที่หวัวคาว่าไม่ดีแต่ทาไมเป็นเช่นนี้ล่ะหนอตอบทันทีกดแทงกรรมเขาดีไม่ได้แล้วพ่อคุณแม่คุณมอกทิ้งหวัวแม่ทิ้เหวัวเขาดีไม่ได้เขาได้แค่นี้เองไม่ต่อไปว่ากล่าวตักเตือนเขาหลอกจะบอกให้ตอนเตือนตอนของตอนเถิดเต่ที่สุดคนอื่นไปเตือนหาได้ไหม ผู้ที่มาปฏิบัติสมาธิภาวนาะต้องการจะมาเตือนตนของตนเองนี่ใค่คนอื่นมาเตือนเราใช่หรือไม่ประการใดวันนี้ก็จะที่แจงเห็นมาถามกันมาก เ, าเรื่องสมาธิเทศไปหลายครั้งแล้วไม่อยากจะจําว่าสมาธิคืออะไรก็ไม่ทราบยงแต่ว่าไปบวชที่พราะวัดโน้นบ้างมาวัดนี่บ้างออกฟัดโน้นทั่วไป สมาธิก็ไม่เกิดอะไรเลยพื้นฐานของชีวิตไม่มีเลยความดีไม่เป็นพื้นฐานมีแต่ความเลอะละละหลวมเหลวหลายเป็นพื้นฐานของชีวิตครับไหนเลยราะเขาจะหนักหน่วงในหัวใจอันพื้นฐานอันแน่หนาของชีวิตนั้นไม่มีแล้วจะไม่มีประโยชน์ผลที่ผลกับประการได้ขอข้านทั้งหลายโปรดได้ตั้งใจฟังสมาธิสักเล็ก น, น้อย ต่อภาคหลังจะได้รู้ว่าสมาธิขั้นตน้นสมาธิขั้นปลายสมาธะกรรมฐ า, านมีปัฒนากรรมฐ า, านจะแยกกันทป็ไหนตอนโปรดได้ติดตามฟังสืดไปณนะโอกาสบาัดนี้ขอเจริญพรเจริญุกโดยทั่วทันณนะบนัดนี้ตอนนื่องใจอมือลงฟังนิพนธคาถาสมาธิคืออะไร เค ไ, ไปนะโอกาสบัด น, นี้วชานานิกรมให้คำนิยามอธิบายว่าความตั้งมั่นแห่งจิตการสมรวมจิตใจความแน่วแน่ของจิตการตรดจองเคร่งเครียดในสิ่งใดธรรมอธิบายเหล่านี้ล้วนแต่แสดงลักษณะของสมาธิให้เห็นความหมายและความสำคัญที่มีอยู่ในสมาธินั้นทั้งสิ เทียงแต่ความตั้งมั่นแห่งจิตซึ่งเป็นคําอธิบายข้อแรกก็มีความหมายลึกซึ้งและแสดงให้เห็นว่าสมาธินั้นเกี่ยวกับจิตลักสมาธินั้นเกี่ยวกับจิตเราแท้ๆเพราะว่าความตั้งมั่นจะมีได้จะมีได้ตองตังอยู่ที่จิตการ ตา้อยู่ที่จิตการทำจิตให้มั่นคงไม่ให้ฟุ้งค้านไม่ให้กวาดแกล้งให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ไม่เกาะเกี่ยวด้วยสิ่งอื่นไม่ให้เป็นไปตามกระแสของสิ่งต่างๆที่ได้ประสบเนตาหูจมูกลิ้นกายใจยตรงนี้สำคัญมากตาหูจมูกลิ้นกายใจยทั้งหกนี้ มีชื่อเรียกว่าตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาว่าอินรีคําว่าอินรีนั้นแปลว่าเป็นใหญ่คือเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนตาเป็นใหญ่ในการดูหูเป็นใหญ่ในการฟังจมูกเป็นใหญ่ในการดมลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้นรสกายเป็นกายเป็นใหญ่ในการถูกต้อง ใจเป็นใหญ่ในการรู้ดูฟังลิ้มถูกต้องรู้เป็นหน้าที่ของอินทรีตั้งหกแต่และอย่างผู้ปฏิบัติทิ้งตรงนี้หมดไม่เด้ดวคนใจตรงนี้เดยอินทรีตั้งหกนี้เหล่าจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้แน่นอนขาดไปสักอย่างหนึ่งก็ทำให้คนไม่สมบูรณ์ไม่ครบวงจรสมมุติว่าตาบอด แ่ข้างหนึ่งก็ทำให้แลเห็นไม่ถนักและทำให้ขาดความสวยงามไปด้วยยิ่งกว่านั้นตาตาบอดเพี้ยทั้งสองข้างก็แลไม่เห็นอะไรเลยทำให้ความเป็นคนบกพล่องไปและเป็นคนยังไม่เต็นที่มิหนำซ้ำจะเรียนหนังสือก็กับเขาก็ไม่ได้เพราะการเรียนหนังสือต้องใช้อินทรีย์คือตาเป็นส่วน สำคัญตัวคนอื่นหูก็เหมือนกันถ้าสมมุติว่าหูหนวกก็คงไม่ได้ยินอะไรไม่ว่าเสียงของมนุษย์เป็นอย่างไรไม่ว่าเสียงของมนุษย์เป็นอย่างไรจะรู้หรือของสัตว์เป็นอย่างไรและก็คงขัดประโยชน์ในการเล่าเรียนไปอีกอย่างหนึ่งจมูกลิ้นกายท่าพิการไปเสีย ก็ไรประโยชน์ตามหน้าที่ไปอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเนืจิตใจซึ่งเป็นอินทรีย์ที่หกเป็นอนดับสุดท้ายก็มีหน้าที่ที่จะจำอยู่อย่างสำคัญในการรับรู้เรื่องราวต่างๆอันเกิดจากอินทรีย์ั้งห่าข้างต้อนตาขาดไปเทียก็เหมือนคนหมดสติกลายเป็นบ้าเป็นบอ เพไม่รู้เรื่องอะไรจะดีหรือลายทําการวิปดิษฐ์ผิดแปลกไปจากคนผู้มีอินทรีย์ทั้งหกครบบริบูรณ์อินทรีย์ทั้งหกประการนี้จึงนับว่าเป็นสิ่งสาคัญคงอย่างยิ่งที่ทําให้คนเป็นคนได้อย่างสมบูรณ์เพียงเนี้ ย, ยเป็นหลักที่ทํานําสมาธิให้มีได้ทําให้เกิดสมาธิได้ไวสมาธินั้นได้แก่ความตั้งใจมั่น อยู่ในเรื่องที่ต้องการให้ใจตั้งไวเพียงเรื่องเดียวไม่ให้จิดเพี้ชาออกไปนอกจากเรื่องที่ต้องการให้ใจตั้งนั้นความตั้งใจนี้เป็นความหมายทั่วไปของสมาธิแน่ก็จะต้องมีจิตจการที่จะทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรียนศึกษาหรือว่าการ งานอย่างใดอย่างในการเล่าเรียนศึกษาจะอ่านหนังสือก็ต้องมีสมาธิในการอา่านจะเขียนหนังสือก็ต้องมีสมาธิในการเขียนจะฟังคําสอนคำบรรยายของครูอาจารย์ก็มีสมาธิในการฟังดังที่เรียกว่าตั้งใจอา่านตั้งใจเรียนตั้งใจฟังในความตั้งใจดังกล่าวนี้นั้น ก็ต้องมีอาการของตายเนี่ยกายนะ จ, จะตอบกันเช็นว่าในการอา่านร่างกายก็ต้องพร้อมที่จะอา่านเช่นเวลาเปิดหนังสือตาก็ต้องดูหนังสือใจก็ต้องอ่านด้วยไม่ใช่ตาอ่านแล้วใจไม่อา่านตาใจไปคิดเรื่องอื่นเสีแล้วตาจับอยู่ที่หนังสือกอจับค้างอยู่เท่านั้นเรียกว่าตาค้าง จะมองไม่เห็นหนังสือจะไม่รู้เรื่องใจจะต้องอ่านด้วยและเมื่อใจอ่านไปพร้อมกับตาที่อ่านจึงจะรู้เรื่องที่อ่านความรู้เรื่องเรียกว่าเป็นปัญญาอย่าง <c oughs> คําว่าเป็นปัญญาในตัวอย่างหนึ่งคือได้ปัญญาจากการอ่านหนังสือตากว่าตากับใจอ่านหนังสือไปพร้อมกัน ก็จะอ่านได้เร็วรู้เรื่องเร็วและทําได้ดีใจที่อ่านนี่แหละคือใจที่มีสมาธิคือหมายความว่าใจต้องอยู่ที่การอา่านในการเขียนหนังสือก็เหมือนกันมือเขียนใจต้องเขียนไปด้วยการเขียนหนังสือจึงสําเร็จด้วยดีถ้าใจไม่เขียนหรือว่าใจคึกไปถึงเรื่องอื่นๆพุ่งพานออกไปแล้ว จะเขียนหนังสือไม่สาเร็จไม่เป็นตัวใจจึงต้องเขียนด้วยคือว่าตั้งใจเขียนไปพร้อมกับมือที่เขียนการฟังก็เหมือนกันหูฟังใจก็ต้องฟังไปพร้อมกันหูด้วยถ้าใจไม่ฟังแม่เสียงมากระทบหูก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจใจจึงต้องฟังด้วย ใจจะฟังก็ต้องมีสมาธิในการฟังคือตั้งใจฟังดังนี้จะเห็นได้ในตารเรียนหนังสือในการอ่านหนังสือการเขียนการฟังจะต้องมีสมาธิในการทำการงานทุกอย่างก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการงานที่ทาทางตายทางวาจาแม่ใจตัวคิดอ่านการ ง, งานต่างๆก็ต้องมีสมาธิอยู่ในการงานที่ทำนั้น เมื่อเป็นดังนี้จึงทำการงานสำเร็จได้ตามระยะนี้จะเห็นว่าสมาธิเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีในการทำงานทุกอย่างนี่เป็นความหมายของสมาธิเปลี่ยนและเป็นการแสดงว่าจำเป็นต้องมีสมาธิในการเรียนในการงานที่พึงทำทุกอย่างถ้าเราไม่มีสมาธิจะทำาแล่วไม่เมกตาที่จะทำงานสาเร็จได้ต่อจากนี้จะได้กล่าวถึงการฝึก ข, ขับทาสมาธิ เพราะว่าความตั้งใจให้เป็นสมาธิดังกล่าวนั้นจำเป็นจะต้องมีวิธีฝึกหัดประกอบด้วยจิตจนจะเป็นสมาธิได้ด้วยหน้าโดยหน้าสมาธิที่มีตามธรรมดาเหมือนอย่างที่ทุกคนมีอยู่ยังไม่เพียงพ อ, อเพราะว่ากำลังใจที่ตั้งมั่นยังอ่อนแอยังดิ้นรนกวาดแกน กระซากระสายโยกพร้อมวังไว้ไปในอารมณ์คือเรื่องต่างๆได้ไง่ายและทุกคนจะต้องพบเรื่องราวต่างๆที่เข้าไปเป็นอารมณ์ให้เกิดกับใจได้แก่เข้ามาทงางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เป็นประจังเมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้มีความรักคล่บั้งความปุ้งคลางบั้งความหลงบั้งความชังบั้ง เมื่อจิตใจมีอารมณ์วันไหวและมีเครื่องทำให้ใจวันไหวเกิดระกอบตันขึ้นมาอีกอังเสริญเนื่องมาจากอารมณ์ดังกล่าวพ้นยากที่จะมีสมาธิในการเรียนในการทำตา่างงานตามที่ประสงค์ได้ดังจะพึงเห็นได้ว่าในบางคราวเรื่องในบางคราวหรือหลายครั้งที่เรารวมใจให้มาอา่านหนังสือ เขียนหนังสือและฟังคำสอนไม่ค่อยได้เพราะว่าจิตใจพุ่งช่างอยู่ในเรื่องนั้นบ้าเรื่องนี้บ้างที่ชอบบ้างที่ชังบ้างที่หลงบ้างจนรวมใจเข้ามาไม่ถูกเพื่อเป็นดังนี้เมื่อเป็นดังนี้ก็ทำให้ไม่สามารถจะอ่านจะเขียนจะฟังเฉพาะเรื่องนั้นๆอย่างเดียวได้จึงทำให้การเรียนไม่ดี ในการทํางานก็เหมือนกันเมื่อจิตใจกระสรับกระส่ายไปด้วยอํนานาจของอารมณ์และภาวะที่เกิดสืบจากอารมณ์ที่เรียกว่ากิเลสคือความรักความชังความหลงเป็นต้นดังกล่าวนั้นก็ทําให้ไม่สามารถทําการงานให้ดีได้เช่นเดียวกันใจที่ไม่ได้หัดทําสมาธิก็จะเป็นเช่นนั้น แม้แม้ว่าจะยังไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามารอกวนให้เกิดความกระสับกระส่าดังนั้นความตั้งใจก็ยังไม่สู้จะแรงนะักฉะนั้นจึงสู้ฝึกหัดทมสมาธิไม่ได้ในการฝึกหัดทมสมาธินั้นมีอยู่สองประการคือหนึ่งฝึกหัดทมสมาธิเพื่อเพื่อกแก้อเล่นและีิเดชของจิตใจ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบางคราวก็เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ถ้าเป็นความรักซึ่งจะชักใยหย่ชักใจ ก, กระสับกระส่ายเมื่อเป็นดังนั้นก็ต้องสงบใจจากอารมณ์รักจากความชอบนั้นซึ่งเป็นอันตรายต่อการศึกษาต่อการงานที่จะตึงทำตลอดจนถึงศีงลธรรม อันดีของสาธิชนี้เป็นวิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือต้องหัดเอาชนะใจให้สงบจากอารมณ์เหล่านั้นให้จงได้บางคราวก็เกิดอารมณ์โกรธความโกรธอันทาใจให้ล้อนลุ่มและฉับกระชายก็เป็นอันตลายอีกเหมือนกันก็ทำให้เสียสมาธิฉะนั้นก็ต้องหัดทาสมาธิ คือหัดสงบใจจากอามรมณ์โกรธจากความโกรธนั้นในบางคราวก็มีอารมณ์หล ง, ลงความหลงซึ่งมีมง ล, ม ล, ลมมักษณะเป็นความง่วงเหงาเคริ่มเครื่อนเครื่อบ่ามีลักษณะเป็นความฟุ้งซ่านลำทานใจบ้างมีลักษณะเป็นความเครื่อนแคลงสงสายบ้างเพื่อเมื่อเป็นเช่นนี้กปอดองหัดทำสมาธิกำหนดจิต หากสงบจิตสงบใจจากอารมณ์จากความหลงในนั้นวิธีสอนทำสมาธิทางพระพุทธศาสนาเมื่อจะทำสมาธิให้สงบใจจากอารมณ์รักโกรธหลงดังกล่าวก็จะต้องเปลี่ยนอารมณ์ให้แก่จิตใจขึ้นเป็นที่ทราบแล้วคือเป็นที่ทราบแล้วว่าอารมณ์รักทำให้เกิดความชอบ เพื่อเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์รักนั่นมาเป็นอารมณ์ที่ไม่รักไม่ชอบความโกรธก็เหมือนกันก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์โกรธมาเป็นอารมณ์ที่ไม่โกรธหรือให้เปลี่ยนมาเป็นความอารมณ์รักแต่ว่าเป็นความรักที่ประกอบด้วยมเมตตาคือเป็นความรักบนที่บริสุทธิ์อย่างญาติมิตรมีความรักซึ่งกันละกัน หรือเป็นความรักระหว่างบิดามารดากับบุตรทีดาความหลงก็เหมือนกันต้องเปลี่ยนอารมณ์หลงมาเป็นอารมณ์ที่ไม่หลงก็ว่าภาวะของจิตใจจะเป็นอย่างไรนั้นดแต่ว่าจิตใจตั้งอยู่ในอารมณ์อะไรเมื่อจิตใจตั้งอยู่ในอารมณ์รักความข้อก็เกิดขึ้นแต่จิตใจไม่ตั้งอยู่ในอารมณ์รักแต่ว่าตั้งอยู่ในอารมณ์ที่ตรงกันข้ามก่อเติดความสงบ ใจโกรธ ก, ก็เหมือนกันก็เพราะตั้งอยู่ในอารมณ์โกรธเมื่อเปลี่ยนอารมณ์ให้จิตใจตั้งอยู่ในอารมณ์ที่ตรงตันข้ามก็ออกเกิดความสงบความหลงก็เหมือนกันเมื่อตั้งอยู่ในอารมณ์ที่ไม่หลงความหลงก็สงบพระพุทธเจ้าจึงได้กัสเอาไว้ว่าอารมณ์เช่นไรควรจะหัดใจให้ตั้งไวในในเวลาไหนกำหนดจิ ต, อ, ตอย่างไรตั้งสติอย่างไร เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการที่หัดจิตใจไว้ก็จะทําให้รู้ลูกทางตั้งสติสัมปชัญญะไว้ที่จะสจงบจิตใจของตอนเองอย่างนี้ก็จะทําให้สามารถสรงบจิตใจของตอนเองได้ดีนี่นับว่าเป็นจุดมุ่งหมายของการทําสมาธิอย่างต้องหัดเอาไว้ให้เป็นได้ประการที่สองนั้นฝึกหัดทําสมาธิเพื่อให้เกิดพลังใจ ที่สั้างมั่นมากขึ้นคือให้มีพลังขึ้นก็เหมือนอย่างการที่ออกกำลังกายเพื่อให้กายมีกำลังเรียลแรงเมื่อหัดออกกำลังกายอยู่บ่อยๆกำลังกายก็จะดีขึ้นจิตใจก็จะเหมือนกันเมื่อหัดทำสมาธิอยู่บ่อยๆแล้วโดยที่ปฏิบัติอยู่ในในหลักของสมาธิเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้พลังจิตใจมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเช่นเดียวกับการออกกําลังกายที่ทำให้พลังกายเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นนี่คือสมาธิในการตึกขัดสำหรับสมาธิในการใท้ก็มีสองประการคือหนึ่งฝึกสมาธิเพื่อใช้ระงับอารมณ์และระงับสิเดียดที่เป็นปัจจุบันดังกล่าวข้างตอ่อู้ที่ฝึกขัดทำสมาธิตามสมควแรแล้ว จะสามารถระงับจิตใจได้ดีจะไม่รู้อํานาจของอารมณ์ของกิเลสคือเป็นความรักและความชังและความหโงทั้งหลายจะไม่สามารถสงบสจิตใจตัวเองได้รักษาสจิตใจให้สวัสดีได้อารมณ์และกิเลสเหล่านี้จะไม่มาเป็นอันตรายต่อการเรียนต่อการงานต่อกฎต่อกฎหมายและต่อศีลธรรมอันดีงาม สองฝึกสมาธิสาหรับใช้ประกอบการงานที่พึงทำทั้งหลายตั้งป้องโดยการเรียนในการอ่านในการเขียนในการฟังเพื่อเป็นเมื่อเป็นเช่นนี้จะทำให้การเรียนดีจะทำให้การทำงานดีขึ้นนี่คือสมาธิในการใช้ตามที่กล่าวมานี้เป็นการแสดงให้เป็นลักษณะของการกระทำสมาธิถูกป้อง และก็ตั้งต้นแต่ความหมายทั่วไปของสมาธิการหาทําสมาธิและการใช้สมาธิการฝึกสมาธิหรือที่เรียกเรียกกันว่าการอบรมจิตหรือการฝึกจิตแบบพุทธศาสนานะั้นปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายไปเกือบทั่วโลกซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าองค์กรองค์การและสมาคมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาได้จัดให้มีโครงการผิตําราพุทธศาสนาเป็นภาษาต่างประเทศเผยแผ่มากขึ้นนอกจากนั้นยังรวมไปถึงการก่อสร้างวัดพุทธศาสนาในต่างประเทศต่างๆทำให้โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะธรรมทูตประสบผลสำเร็จได้ดีกว่าแต่ก่อนมากทีเดียวแต่สิ่งที่สาคัญที่สุด ยิ่งกว่าอื่นใดนั่นก็คือพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จรัสมามุทธเจ้านั้นเป็นอามาตะธรรมที่ไม่มีธรรมที่มีค่าสูงยิ่งศึกษากงความก็ยิ่งน่ารู้และท้าทายต่อการติดตามและการพิสูจน์ให้เห็นผลจริงผลจังมากยิ่งขึ้นไม่เป็นที่น่าแปลกเลยว่าบรรดาชาวต่างประเทศ ที่มาจากนอร์เวย์แทนาดาสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษออสเตรเลียนิวซิแลนเยอรมันและสหรัฐอเมริกาเป็นต้นโดยลังไหลเข้ามาบวชเรี้ยงปฏิบัติธรรมในประเทศไทยเหลามากขึ้นพอที่หน้าสั้นเตะก็คือส่วนใหญ่หลอบรู้แตกขาในสตา บ, าบิโดกฉบับภาษาต่างประเทศมาแล้วทั้งสิ้น ดังนั้นวัตถุประสงค์ที่สําคัญก็คือเพื่อศึกษาและค้นคว้าความจริงจากการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะชาวต่างประเทศต้องการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเพราะว่าการท่าที่ดีก็ได้จบมาแล้วในพระไตรปิฎกและเป็นที่นาปีติเป็นอย่างยิ่งที่บางท่านบวชเรียนมาแล้วยี่สิบปีและมีความทํานาในการศึกษสมาธิมากอย่างยอดเยี่ยมอีกอยัง อีกหลายอย่างได้นมความรู้และความมหัศจรนทร์ที่ได้จากการฝึกวิปักษนกรรมาฐานทางพระพุทธศาสนากลับไปเผยแพร่อย่างบ้าเกิดนองนอนของตนเท่งจนได้ผลเกินเกินาถคือชาวฝรั่รทงที่ประเทศต่างประเทศต่างๆก็มีมากการฝึกสมาธิในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าจิตสงบเป็นุเป็นเป็นกุญแจสำคัญ ในทารเปิดแสงสว่างให้แก่โลกเป็นบอ่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่แก่เป็นบอ่อเกิดแ่งปัญญาของมวลมนุษยชาติทั้งโลกและเป็นความสุขที่มีค่าสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติดังพุทธวัจนะบทหนึ่งที่กล่าวไว้ว่านัถอสันติประลังทุกขังแปลว่าสุขอื่นใดนอกจากใจห ย, ยุดนิ่งไม่มีแย่ ใจหยุดนิ่งแห่งความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งเมื่อจิตใจหยุดนิ่งก็เกิดความสงบขึ้นและเมื่อสงบก็เป็นสุขมากความสุขเกิดจากจิตสงบนั้นอากล่าวด้วยว่าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมนุษย์จิตเป็นสิ่งที่กระเสือกที่สุดของร่างกายจิตเป็นผู้นําส่วนร่างกายเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามคำ ส, สั่งของจิต อุปมาดังมากับคนขีหาผู้ทีกขีคุมบังเหือนบังคับมาด้วยความชนานาญก็จะเดินทางไปสู่จุดหมายปรายทางได้อย่างราบรื่นแต่ถ้าหากว่าผู้ขีไม่ได้รับการฝึกอย่างชมนิํานานหรือตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปก็จะมาหรือเดินทางพัฒฐ า, านใดๆฉิบสิติความสุขของจิตที่แท้จริง จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่มันฝึกฝนหรืออบรมจิตอยู่เสมอทุกวันไม่ได้ขาดการฝึกจิตหรือฝึกสมาธิในทางพระพุทธศาสนาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากรรมาฐานกรรมาฐานแปลว่าอะไรการกระทำให้ฐานะดี กรรมฐานจึงเป็นที่ต่างของการกระทาซึ่งแบ่งออกเป็นวิธีปฏิบัติได้สองประการคือหน้าที่การงานหนึ่งสมถะกรรมฐานแปลว่าการทำจิตให้สงบหรือทำสมาธิตามอุบายที่กาหนดให้อย่างนี้ก็เรียกว่าส ม, าามาถะกรรมฐานวายส่วนที่สองนั่นหละที่เราปฏิบัติกันอยู่เด ทั้งสองสมะทั้งสมาทม า, า ร, รมฐานมีปัสฉนากรรมฐานทั้งสองอย่างวิปัฒนากรรมฐานก็แปลว่าวการสุขิดให้รู้แจ้งเห็นจริงในชั้นสูงหรืออาจกล่าวไดยว่าทำปัญญาให้เกิดรู้แจ้งเห็นสภาพตามความเป็นจริงนั่นเองแต่ในที่นี้จะเสนอเนะยเพียงแนวทางการสุกสมาธิเบื้องต้นทั้งสองอย่างนี้ สมาทกรรมฐานแปลว่าอุบายวิธีให้จิตสงบเป็นเบื้องต้นนีปัจฉนากรรมฐานเป็นอุบายเรี่ยมปัญญาทําให้ผู้ปฏิบัติหน้างมีปัญญาเห็นแท่งเห็นจริงเห็นอนิจจังทุขังนัสตาเห็นปัญญาภายนอกภายในเห็นวินัยภายใ น, าย ภ, ายนายภายนอกเห็นความจริงของกีวิตมี อ, อนิจจังทุขังนัสตาเกิดขึ้นกับท่านเองนั่นแหละเป็นการปฏิบัติธรรมชั้นสูง ทราความจริงของชีวิตเป็นการปกครองตนปกครองตัวปกครองครอบครัวได้แต่สมาธานี้เป็นการศึกษาสแสวงหาความรู้ขอเท้จริงในตัวของตัวเองตามระดับขั้นตอนของเบือ้องต้นท่านสาธุชนผู้ถบายสัตย์ทางหลานที่ท่านมาปฏิบัติกรรมฐ า, านเป็นคำกลางการปฏิบัติใช้แนวสติปัฏฐานสี่ชาสายเอกของพระพุทธเจ้า ทรงชี้แจงแสดงมาให้เราทราบว่าทางใช่เอกนั้นทําให้เดินไปสู่จุดหมายมัติมาปฏิปทาปานกลางเดินทางไปหาที่สุดแห่งปัญญาหลอบรู้ในกองการชังขานจะได้อ่านตัวออกจะได้บอกตัวหน้าจะได้ใายตัวเป็นจะได้เห็นตัวตาจะได้คาดทิชีจะได้จำดีชอบจะได้ประกอบสุขสนได้เพรานานานเป็นหลักฐานสําคัญตรงนี้เป็นจุดหมายอัน เขาจะนั้นท่านสาธิตโทนที่เรามาปฏิบัตนะิธรรมนวัดอภวันนั้นไม่จะมานั่งหลับตาหนอหนอแหนะมีอายนาธาเดนรีเนะี่ยเป็นหลักปฏิบททัติของท่านโดยเฉพาะอย่างที่กล่าวแล้วในสมาธิเบื้องต้นตาเห็นลูกหูได้ยินเสีย ง, ยงมูกได้กลิ่นนิ่มลิ้นตาสัมผัสท่านทรงปฏิบัติโดยใช้สติกำหนอดอยู่ที่จุดนั้นให้ถึงได้ถ้านี้จะรู้จริงรู้แจ้งเห็นจริง เ, เห็นแจ้งในของจริงในตัวของท่านเอง ถึงจะอ่านตัวออกบอกหน้าใช่เป็นไม่ใช่มาหนอ น, อนอแน่มาถึงฟังนอยยุบหนอแล้วก็เลิกกันไปขวาย่างซ้ายย่างแล้วกเกิดไม่ใช่เป็นอรียบทที่ต้องปฏิบัติโดยละเอียดตาเห็นรูปเกิดเจ็ดกําหนดหูยินเสียงเกิดจิตกําหนดจมูกได้เป่งเกิดจิตกําหนดถังจมูกลิ้นรับรสเคี้ยวหวานมันเค็มกําหนดเที่ยวหนอเรือนหนอเป็นตน้น นนาาอนี่เขทราบผมติงดะเสียงหนอได้ยินเสียงท่านก่อ น, นี่ท่านก็เค ย, ไ ม, ไ, มเคยไม่ไม่เคยกําหนดในเะมื่อไม่เคยกําหนดแน่แต่จะรู้ได้อย่างไรแต่จะรู้แต่ของปลอมรับทานอาหารก็ไม่เคี่ยวไม่กําหนดไม่มีสติแต่จะทบของปลอมตลอดไปกาช้ำผาดร้อนหนาวอ่อนแข็งที่นางไปท่านก็ไม่กําหนดท่านก็ไม่มีสติแต่จะละได้ของปลอมแน่นอน ไม่เวทนาก็ไม่กําหนดปล่อยมันผ่านไปอย่างหน้าทิ้ดายให้ใจเข้าก็ไม่รู้ให้ใจออกก็ไม่รู้น่าจะรู้ลมให้ใจเข้าออกเป็นประการดการกลันกลับไม่รู้อีกเลยท่านจะรู้ของปลอมไม่รู้ของจริงกับประการาดของจริงอยู่ในตัวท่านแต่เสียใจเลืองเกินที่จริงไม่ชอบไปชอบที่ไม่จริงไอ้ที่ได้ไม่เอาไปเอาที่ไม่ได้แต่จะไปเอาของที่ไหนที่มันยังไม่ได้ ดูใกล้มือเอาก่อนดูใกล้จูเอาก่อนได้ไหมท่านจะเอาอะไรมาเป็นหลักนี้ยประมาณนั่งการแล้วิ้นจิ้ ม, มจ่างจ่ำแล้วก็ปกัก๊บปั๊ไม่ได้อะไรเขาก็ถามว่ามาทำไมน้องอแหน่ไม่ใช่น้องอแหน่เสียใจยด้วยกันเนะคยแขนแขนกลับไปแขนแขนปากยื่นปากยาวเคลื่อนหัวลงเขาดังกล่าวเลยแต่ท่านรู้จริงเนะี่ยท่านจะไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ย มีแอบลบเดจาวด์สอนที่เราปฏิบัติมีทั้งสองประการยืนหนอห้าครั้งก็เป็นสมถะธรรมฐานวิปัสนากรรมฐา น, าานของหนョยุกหนอก็เป็นสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานาทานัทน้งสองประการไม่ใช่วิปัสนานอย่างเดียวให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกรู้ก็เรียกว่าสมถะไป็นอุบายวิธีเรื่องตอนให้ใจสงบเพราะใจสงบแล้วมันจะรู้ของจริง ของจริงก็พองหนอยกหนอออรู้แล้วพองเป็นลกูกยกเป็นลกูกจิตกำหนดลูกเป็นตัวนามก็กลายเป็นกรรมาฐานวิปัสสนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสียงหนอเสียงหนออุปาทานยึดกำหนดไว้เสียงหนอนี่เป็นสมาธากรรมาฐานอุบายวิธีเกิดขึ้นกำหนดเสียงหนอ พอเสียงกําหนดหน้าหูกับเสียงเป็นอเดียวกนันนะเสียงกับหูคนละอันในมื่เกิดเคลื่อนตางดูดับปายเสียงมันก็กลับไปหาเขาหูมันก็อยู่กับเราถึงจะเป็นวิปัสสนาเข้าใจแจ้งชัดในตัวบทตัวกําหนดนี้เสียงหนอหนอนี่เป็นอะไรเสียงเป็นอะไร อะไรเป็นลูกอะไรเป็นนามถึงจะเรียกว่าวิปาาัสนาญาณแก่กรรมการกรรมมาถามได้ถ้าเสียงนั้นเรามีสติครบหูมีรับตามีรับหูมีมีรับมีสติสัมปชัญญะมีศินหูมีศินเสียงนั้นก็จะกลับไปหาเขาเราจะได้ทราบว่าเสียงนั้นเขาก็หกจึงจะเป็นนิปัสธนาเป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยง อั น, นิจจังทุกขังนาตาเกิดเพื่นดังอยู่ดับไปไม่มีอะไรที่จะต้องเข้ามาอยู่ที่ตัวเราแต่ประการใดเห็นหนอก็เห็นด้วยปัญญาส่งกระแสเจตี่อุณโลมมาประ ย, ายชาจตุที่ทางกําหนดยืนห้าหนอห้าห้าครั้งห้าครั้งยืนหนอห้าครั้งขอให้ทําให้ได้นี่สมธะ ยืนหน่อแล้วกลับมาสร้างสติยืนหนอนี่สมถะพอรู้จริงเนี้ยกลับไปกลับมาตั้งสติอันนี้จังทุกขังราาัตษาเห็นสภาวะเป็นรูปเกิดขึ้นต่างอยู่ดับไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนั่นถึงจะเป็นกรรมฐานฝายวิปัสสนาอันนี้จังไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์ทุกขังหาทุกข์จับตัวทุกข์ได้ เกิด้ขมูดไทยนีโลดมัดเกิดอริยสัจสี่ขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรแน่นอนเลยในตัวเรานี้มันก็เกิดขึ้นตามยู่ดับไปมีปัจจุบันธรรมเท่านั้นที่เป็นหลักอดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความเจอนาคตไม่แน่นอนถามทิ้งจะรู้ว่าตัววิปัฒนาญาอยู่ตรงนั้นรู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งอย่างนั้นเป็นต้นเห็นหนอเห็นด้วยปัญญามาจะเห็นด้วยสิเลสเห็นว่ารูปร่างเขาสวย ดูที่สวยเป็นสามาคคต้องศึกษาอุบายวิธีจิตสงบนี่สวยจิตสงบพรอจิตสงบเนี่ยความสวยที่เราเห็นหนอกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรูปร่างสวยก็กลายเป็นมัวหมองจิตใจไม่ปรองดองเห็นแจ้งเห็นชัดเห็นจริงทุกสิ่งเป็นปัญญาถึงจะเียกวิปัสนาด้วยเห็นแจ้ เห็นจริงด้วยแสงระว่างด้วยปัญญาอันนี้เป็นจดถึงก็เรียววิปัชนายานเพื่อนั้นด้การเดินจงกรมเดินให้ช้าๆอย่าเดินวายท่านอย่าคุยกันหน่อยอย่ามาพูดคุยกันท่านจะได้ผลภายในเจ็ดวันเป็นสมถะปวดหนอนก็เป็นสมถะเพราะปวดเนี่ยยึดเนี่ยมาเป็นอุปาทานยึดไม่ใช่วิปัชนาเป็นสมถะสมารแล้วกาหมดได้จริงน่เกิดขึ้นตางดูดับไป เวทนาจับถูกได้เวทนาแยกถูกได้แยกนามได้เวทนาก็แยกออกมันก็ไม่ปวดอุปาทานมันก็ไม่ยึดแต่อา น, นิจังทุขงาาังนัตตาจิตก็แยกออกเวทนาก็แยกออกจึงเรียกว่าอา น, นิจังทุขังนัตตาเป็นพระไตรักเรียกเวทศัสนาได้จิตไม่มีอุปาทานยึดมันไม่ปวดเลยนะเวทนามันก็หายไปได้ยักกล่าวแล้วเช่นเดียวกัน ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปสู่ผูกพันและก็อุปาทานไม่ยึดแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่กําหนดจิตเนี่ยคือมันโกรธหรืมันเปรียดที่อารมณ์เข้ามาเนี่ยผู้ปฏิบททัติทำไม่เคยกําหนดเลยนะ ท, ที่มากันเนี่ยไม่เคยกําหนดแตมา ถ, มถามตอบไม่ได้เลยโกรธก็กําหนดที่ลิ้นปี่เนี่ยให้มันหายอยู่นีบ่บ่ชโกรธใครโกรธพี่โกรธเนาะ โกรธสามีภรรยาเป็นอุปาทานยึดเรียกว่าสมร t h ไม่อุบายวิธีจะสงบถ้าเป็นโกรธนั่นกำหนดโกรธหนาะเป็นสมร t กรรมฐ า, านอุปายวิธีโกรธทรําให้สงบเพราะโกรธสงบลงแล้วโกรธมันก็หายไปจิตใจก็เกิดมีปัญญารอบรู้กองการสันขันอยากจะไปโกรธเขาทำไมเสียสมอง มันจะออกมารูปนานถันห้าเป็นอารมณ์แยกออกไปได้ปัญญาก็เกิดขึ้นความโกรธนั่นก็หายไปดัดไปเรียกว่าปัญญายาแต่ขายปัญหาในการกำหนดโกรธไ ด, ด้โลภยากได้ของเขาเราก็กำหนดติลิปีเสียใจก็กำหนดดีใจขอให้ผู้ปฏิบัติทำเอาไปใช้ตลอดชีวิตแตหากว่าคิดไม่ออก ท่านจะกำหนดที่ลิ้งปีกาหนดให้กายกยาวๆคิดหนอรับรองท่านคิดออกแน่นอนไม่จะคิดหนอหคนเดียวเลิกโหลดหนอคนเดียวเลิกท่านแก้ไขปัญหาชีวิตไม่ได้ท่านทําไปต่อเ น, นื่องกันไปนะท่านจะทํานมีบุตรห้าคนท่านจะรู้กอุลุคนโตจะเรียนแพทย์เรียนหมอคนที่สองจะเรียนวิศวกรคนที่สามจะเรียนรัรฐศาสตร์หรือจะเรียนวิชาใดา มันจะบอกสตินี่สำคัญมากเป็นหมอดูอันตัวเอกดเป็นการแก้ปัญหาชีวิตได้ในครอบครัวและตัวของท่านเองมีประโยชน์มากเลยหากว่าท่านจเจริญกรรมาฐานเป็นพ่อเป็นแม่ค้าแล้วก็แผ่เมตตาดังที่กล่าวในสมาธิภาวนาลูกท่านจะดีทุกคนไม่ใช่หมายความว่าไปนั่งคุมลูกบางคนก็เสียใจด้วยสามีจะชู ไปนั่งคุมสามีไปนั่งคุมที่โฮเทลในเรื่องนี้ที่ลบหลีคุมไปคุมมาสามีก็ไปทางโ น, น้ไปทางนี้คุมอยู่เหรอคุมไม่อยู่คุมอยู่ได้ยังไงไม่ต้องไปคุมให้งโง่ภรรยาที่งโง่ชอไปคุมสามีและหึงหวงสามีถ้าโยมมีสติจะไม่สนใจย่างไง กระสนใจตัวเองตัวเองมีสติสัมปชัญญะมังใหม่เปล่าเลยไปดูจะคนอื่นไม่ดีทั้งนั้นสามีแล้วไม่ดีมาเล่าทิวะลูกฉันไม่นคนไม่ดีไม่ เ, เรียนหนังสื อ, อแต่ตัวเองดีไม่ดีไม่เคยพูดไม่เคยรู้แต่ประการใดการเจริญกรรมฐานทําให้เรารู้ตัวดีแน่รู้แน่นอนรู้กฎแห่งกรรมจากการกระทําของตนด้วยไม่จําเป็นต้องไปไปรู้คนอื่นครับ อย่างลูกของท่านทั้งหลายว่ามันไม่ไดีไปนั่งคุมมันก็ไม่ได้ปผลถ้าลูกเราเนี่ยมันชาติตะปัวชาติกายคุ้มยังไงก็มาอยู่มันก็เป็นกายอยู่นะจะคุมให้ไกรมันเป็นอะไรจะคุมให้มนุษยาชาติศักยาภาพของมนุษย์เป็นมนุษย์สัปูโตก็คงเป็นไปไม่ได้ไอ้มนุษย์นี่มันจะเป็นมนุษย์เถเดลชาโนมันจะเป็นมนุษย์สเปตต์ มันจะจะเป็นมนุษย์เสนอได้ยี่โกไปคุมดูแลให้มันเป็นมนุษย์สปูโตที่มันจะเป็นได้ไหมคงไม่ได้ก็ขอฝาท่านย้ําเติมส่งสมส่งเสริมไว้ไม่ใช่ลูกท่านจะดีได้คนจะดีมีปัญญาชาบจะดีทาสีก็เด่ยไอ้พื้นฐานมันดีเนี่ยทาสีมันจะติดเหมือนอย่างไอ้พวกเครื่องเฟอร์นิเจอร์ ขับแล้วขับอีกขัดแล้วพันอีกทาสีป้าบมันจะติดมันโผลกับโผก่ฝาผ น, นังโผลกับโผล่ทาแล้วมันจะลอกทามันไม่ดีทาสีก็ไม่แดงไม่ต้องไปกราวเลยโกด่งกรรมทั้งทั้งลูกเอ๋ยลูกดีลูกมีปัญญาที่ไหนเล่าแล้วต้องไปนั่งคุมห้องพ่อครับภรรยาผมไม่ดีผมก็ต้องไปนั่งคุมข า, ขายไปะนั่งดู บอกว่านี่คุณตาฉามีเขาไม่ต้องไปนั่งดูเลยปล่อยหน้าตาเรื่องดีกว่ามันไม่ดีอยู่แล้วมันเป็นตักตัวจะไปดูให้มันเป็นทองคํามันก็ไม่ได้ขอเท็จจริงในกฎแห่งกรรมเนี่ยท่านทั้งหลายไม่รู้เลยมันนั่งกรรมาฐานให้มันรู้กฎแห่งกรรมไหยว่าตัวเองเป็นอัศราการได้แต่แจ่งกระจายเป็นปัจจิตตังเวจิตตโพวิญญูหิ อาสมาธินี่นะความสุขจากจากความสงบที่เราหามาได้ด้วยราคาถูกๆแพ้ๆแต่อย่าลืมว่ามันมีคุณค่ามหาศาลยิ่งกระซับสมบาทภพระสถานแน่นอนที่สุดจะเอาอะไรอีกบางคนไม่เอาเลยแม่ามาก็ลูกไม่ดีนะจะให้หลวงพ่อเอปนวันเปล่าไว้ลูกดี บอกไม่ต้องเป่าหรอกมันแก้แล้แก้เป่าได้มันไม่ทิ้งแบงแก้เป่าไม่ได้แบงเก่ต้องเอาแบงเก่ทิ้งเรามาสร้างความดีกันเนี่ยต้องละความชั่วาละความชั่วไม่ได้ดีไม่ได้พอสัง ต, ตั้งหลายมาบาํบาเพ็ญบุญกันเนี่ยไม่ละบาปเอาบาปติดมาในหัวใจของท่านอาจจะเดือดร้อนตลอดไปมันมีโอกาสที่จะดีได้แน่นอน ตาสงองเจา้าหรืจะเป็นใครก็ตามตาสันดานแห่งชาติไม่โอกาสจะดีได้เลยหมดโอกาสแน่แตมาเที่พูดอยู่เสมอเขาก็หาว่าพูดตลกเล่นหมากลุกหกสิบสี่ตาเดินตาเดียวตลอดไอ้คนประเภทนี้มาเดินอีู่ตาเดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไงก็อย่างนั้นอย่างไงก็อย่างนั้นอย่างไงก็อย่างไรตลอดมาไม่มีการจะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น มนีกับสับสนโอมละมานเหมือนชีวิตของเราผู้สับสนขอสายญาติโยมชีวิตสับสนคนเนี่ยคือมีปัญหามากเราอยู่กับคนอยู่กับปัญหาต้องสู้ปัญหาก็แก้ปัญหามันสับสนยังไงก็ตามเหมือนาธาทิศจันทร์แต่แตะโรสัดกันขึ้นเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็วันแต่จะเอายังไงอีกน่าจะคิดถึงตัวเองว่าจิตโถมนุษย์สัปดีลาภู การเกิดมาเป็นมนุษย์แสนจะยากมากน่าจะคิดตรงนี้ทำไมทำตัวให้ราคาถูกแล้วทำให้มันง่ายถึงไิ้โฉมนุษย์สัิลาโพภิกาวสอนฉันเกิดมาเป็นมนุษย์แสนจะยากแล้วอย่าทำให้มันง่ายนะอย่าเป็นคนมักง่ายมักได้เลยพี่น้องศีละทำอะไรให้มันยากไว้มันจะได้ง่ะทำอะไรมักง่ายมักได้จะเกิดความยากแสนจะลำบากลำเค็นใจ ใช่หรือไม่รับปากใครเนี่ยรับให้มันยากเนอยได้ไหมรับแต่พลอยพลอยรับไปแล้วมันจะเดือดร้อนต่อภายหลังท่านจะเสียใจต่อภายหลังรับปากอันนี้ง่ายเกินไปน่าจะคิดตีความว่ารับปากให้มันยากถึงคิดจะช่วยได้ก็ต้องให้ยากมันจะได้ง่ายขึ้นตรงนี้รับสมองําหลักบวิปัสสนายากการทำกรรมฐานเนี่ยคิดว่าง่ายเลยอะ ยาที่สุดแต่ได้แล้วมันก็ง่ายพยายามฝึกกันต่อไปเถิดก็สเสริฐที่สุดแต่มาจยายยํายาย่าเลยยายบอกว่ายาแท่หลานไม่เราไม่เคยทั้งง่ายแท่เคยทําแล้วมันก็ง่ายแท่หลานยาแท่ที่เราไม่เคยถ้าเคยแล้วมันก็ง่ายเราไม่เคยฝึกเลยหรือการจะมาพูดกันว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญวาสนาไม่ได้ เสียใจด้วยท้ายเรือก็ไม่เป็นมีแรงก็จําได้จ้ะนั่งเรือก็ไม่เป็นเรือก็จะลบมเราจะไปแข่งเรือได้อย่างไรต้องฝึกต้องหัดต้องฝนต้องอบรมด้วยแตาทําไม่ได้ไม่ต้องทํากันไม่ต้องไปนั่งเฝ้าบางคนก็บอกว่าหลวงพ่อมีมูลไปนั่งเฝ้าเขาหน่อยสิเดี๋ยวเขาดีนะเฝ้ายังไงจะดีนะ เฝ้าเดี๋ยวมันก็นลอไปจนได้ไอคนมันจะชั่วแล้วเฝ้าให้นมันดีได้เดี๋ยวไปเฝ้าให้นมันโ ง, งนะ่ไงคนจะดีไม่ต้อไปเฝ้า น, นามแหลมใครเทียมม า, าเอาโครงเปลี้ยงใครไปกลึงแล้วกไปนั่งเฝ้าแล้วเป็นคนดีได้ไหมได้ไหมไปนั่งเฝ้าแล้ยจะไม่คุยได่ไงไม่มีทางไม่มีทางแล้วดีได้ไม่ได้เลยยังไงแล้ว ถ้าั่วตัวเองไม่ได้ก็เสียใจด้วยไม่ต้องให้คนอื่นที่จะมาช่วยเราหรอกจะต้องวานคนนั้นมาช่วยมันน่าเป็นเพื่อนนะคนนอนบ้างจะไปพึ่งคนนอนถึงอันนี้แสนจะลำพึงลำพันใจเสียใจเสียดายเวลาที่เราเกิดมามนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์โสภภาพเกิดมายากเหลือเกินพยายามทำความมนุษย์ให้มันบริสุทธิ์มัน ผีประการหนึ่งติดรั้งมาจานใชีวิตการเกิดมาถึงมีอายุถึงขนาดนี้ก็ยา ก, ไ ม, ายกไม่ตายเช่ก่อนบางคนมาตายในท้องไม่ทันล่องก็ตายแล้วเราก็มีอายุมาถึงปูนอย่างนี้เด็กันทุกคนก็น่าภูมิใจแล้วเนาะติดรั้งศรัทธามัวนงังเราได้มีโอกาสฟังธรรมก็นับโชคดีแล้วเรามาพบพระพุทธเจ้าติดโฉพุทธานาุโมทาถู พุทธเจ้ามาตานิโลกเนี่ยเราก็ได้ฟังธรรมะเจริญปฏิบัติกรรมฐานเป็นการทดแทนคุณบิดามารดาหรือว่าบวชในพระศาสนาเหมือนกันแต่ใครปฏิบัติกายสิกขาสามปีสิน้นจะมาที่ปัญญาปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานได้ถือว่าใครป่าปอนน้ำนํำนมแม่ได้ข้าว่าการกรรมฐานเนี่ยเป็นพระอภิธรรมเจรสิกรูปมิตรานแต่ใครจะแท้ทดแทนคุณแม่ขาปอ น, น้นํานมของแม่ จะเจริญสัตยมาฐานนี้จิตเจริญสิกรูปนิพานจเจริญสติปฐานสี่รับรองใช้ข้าวปอ น, น้ํานมแม่ได้แน่นอนไม่ต้องเป็นผู้ชายมานุ่งเหลหวหง่งเหลืองหระกยองเป็นผู้หญิงน่ยทดแทนคุณแม่ได้ยกตัวอย่างเด็กสุพรรณบุรีส ม, มุนหญิงเป็นผู้หญิงเด็กหมหนึ่งสามารถมานั่งกรรมฐ า, านให้แม่หาจากโรคมะเร็งได้ก็เป็นการทดแทนให้แม่ได้ บางทีลูกลาก่าลูกเลื่อนลูกหลอกลูกปอกลอกลูกลับใช้สอยไม่มีมีแต่ลูกลูกติดห้อยไปไม่ร่อดทุกหลแล้วจะเอาดีได้ยังไงนะดีไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นการที่อสมองปรเปเด็๋ยวระกูบิดามารดาเนี่ยเสร็ จ, จะยากมากไม่มีใครจะทดแทนคุณพ่อคุณแม่ผู้มีทุกบุตมีิงคุณได้แตหากว่าญากตายโดยการฆ่าตัวตาย ไม่มีรายไดีเท่าการเจริญกรรมาฐานให้ฉันจะได้จะถาวายฉลองทานกี่ร้อยกองก็ไม่สามารถจะให้แกผู้ตายโดยค่าตัวตายได้มีตําราอยู่ไม่ใช น, น้อยอันนี้ก็ที่แจงแสดงเรื่องสมาธิมาพอสมควรก็ให้ผู้ปฏิบัติไปปฏิบัติโดยละเอียดยืนหนอกายานุปัสสนติปทานกายยืนเดินนั่งนอนเหยียด้างเหยียดขวากําหนดจิตตั้งสติ เวทนากำหนดปวดหนอปวดหนอดีใจเสียใจโกรธทีลิ้นปีนั่นปวดเมื่อยตรงไหนให้กำหนดตรงนั้นมสบายใจตรงไหนให้กำหนดตรงนั้นทีลิ้นปีคิดไม่ออกก็กำหนดทีลิ้นปีคิดหนอคิดหนอเดี๋ยวคิดออกร้อยครั้งพันครั้งทําให้มันได้แต่โยมทำเนี่ยกลับไปเลิกเลยไม่เดเคยกำหนดอายาุณธาตุทีสีรับรองเอาดีไม่ได้ ไม่ได้เกิดประโยชน์ผลิ้ผลจะประการใดไหนเลยเราจะได้ผลจากการกดดําหนดผิดอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้เพราะะนั้นการกําหนดหน้าเช่นนี้นะ่ะจะทําให้แก้ปัญหาชีวิตหน้าทุก อ, อย่างแก้กรรมได้บางประการที่เรามีกรรมมาเราจะรู้ว่ารถมันจะทนไหมเราจะต้องตายวันพรุ่งนี้มารืนนี้ประการใดเราจะได้รู้แจงกระจายจะได้เตรียมการเตรียมตัวก่อนตายจะได้ไม่ต่อไปยุ่ ง, งวุ่นวายใครผูหนึ่งครับ เราจะได้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความถูกต้องสุกติิงไปติกลางขาไม่ไปทุกขะติงิงไติดกลางขาแน่นอนเราก็จะไปเจอความถูกความเจริญไปสุกสีโลกสวรรค์ให้พลันทันเวลาที่เราต้องเดินทางไปทั้งหลายอย่าประมาทเนี่ยคิดว่าเราจะอยู่อีกนานจะตายเราก็ไม่แน่นอนเราก็ตายเมยื่อไรท่านทั้งหลายโอย้เกิดมาเพื่อรอเวลาตายได้มาเพื่อรอเวลาเสียมีเพื่อรอเวลาหมด แต่ลการเพื่อรอเวลาจากเดี๋ยวจะจากกันไปเนี้ยพบการระหว่างสามีพัญญารอเวลาที่จะต้องชัด่าจากของไปทีรักเป็นผิดชอบใจในการทั้งนายทั้งสิบไม่มีวันกลับมาอีกเน้ยนี่แหละเป็นของตายตัวเด้ของแน่นอนและของจริงอยู่ตรงนั้นเคยแก่เจ็บตายเป็นของสิ่งที่เราต้องชัด่าภาพพเจนจรกันจก่กจอนจาต้องจากเป็นของสิ่ง ดูก็ไว้ใจจะตายก็คิดถึงลําพึงลาพันก็ของจริงไม่มีใครที่จะต้องอยู่รอดปลอดอภัยในโลกมนุษย์นี้ไปได้ทั้งหลายเอ๋อย่าว่าเวยุเกยอย่าเป็นรองอย่าใจสองใจสามหนึ่งบวกหนึ่งต้องเป็นหนึ่งสัจจะเมตตาสามัคชีมีเวนไนจะแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างสมพราศาสนาทุกการทุกทายมีค้อนมทนาสาธุการแก่ผู้ปัจจุบรรันทำทุกท่านให้จางใจกําหนดจิต มีสติทั้งภายในภายนอกมีวินัยภายในมีมีมีวิ น, ยยนยันยภายนอกสวยน่ารักหน้ายินดีหน้าปีดาจิตใจก็เบิกบานและก็โล่งโปร่งฟ้าจิตใจสบายนี้จะแสงสว่างแห่งปัญญาจะได้แก่ไขปัญหาทุงท่านได้สมกถนาไม่มีเวณมีกรรมติดตัวไปโจรโหดติกรรมต่อเจ้ากรรมในเวณเจ้าเวณในกรรมเสียอย่ามีเวณมีกรรมอย่าต่อกรรมต่อเวงใกล้ต่อไปในอนาคต มีตาโหสิกันเถียจะได้สู่สัมปริยาพบภัยเบื้องหน้ามาปลาลบทำราดิกล่าวละจุปการขอทุกท่านจงกรรินไปด้วยอายุวันนาถุกขาพละปฏิพานธนาสารทุมบัตินึกถึงส ก, การใดชงความมุ่งมาสัตนาด้วยการทุกลกทุกนานณโอกาสบัดนี้เทิน